พระธรรมเทศนาลำดับที่ส2องโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าเมื่อถึงเมืองพอวันเป็นวันที่30กันยายนพุทธศักราช2554หรหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรเรื่องเกี่ยวกวับคู่เกี่ยวกวับคน เี่ยก็ราบยศชนะเสริญหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธราบยศสนะเสริญสุกแต่ว่าขนาดให้เพียงพอสําหรับหลวงพ่อเองสําหรับหลวงพ่อแล้วน่าจะเพียงพอไม่น่าจะเกินนี้พอแล้วถ้ารู้จักพอมันสบายนะถ้าไม่รู้จักพอเนี่ยกระเสือกกระสนวุ่นวายทุกใจแต่หลวงพ่อเนี่ยพอแล้วจะสุขแล้วไม่สุกมันก็ เพียงแขนี้น่าจะเพียงพอนะแต่ว่าเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วเรื่องระบบเรื่องนั้นแล้วเราต้องมองเราต้องมองอย่างน้อยเราก็ต้องยื่นมือเข้าไปยกชูบูชายกไว้ช่วยกันยกไว้พุทธศาสนานะถึงตัวเองจะมี ความสะดวกสบายแล้วก็ตามแต่เรื่องพระพุทธสารศาสนาเรื่องส่วนรวมแล้วเราควรจะเข้าไปปีมีส่วนร่วมพยุงเพื่อรักษาเอาไว้เหมือนกับน้ําที่สะอาดอยู่ในสระน้ำอยู่ในบ่อน้ําที่สะอาดถึงเราได้ดื่มนี่อิ่มแล้วหรือว่าเราได้ได้พอสมควรแล้วเพียงพอสำหรับเราแล้ว เราจะไปให้คนอื่นทำร้ายทาลายก็ไม่ได้เพราะนั้นคือที่เราได้มีความสุขได้อาบได้กินมาประคองชีวิตของเราเมื่อเราได้หิวโหวยแต่เราจะไปปล่อยให้คนอื่นที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรมาโยนสองของสกปรกลงไปใส่ไม่น่าจะถูกต้อง ผู้ที่เรารู้คุณค่าของน้ำล้วก็น่าจะช่วยกันไปปกป้องรักษาไว้ผู้ที่มีสติปัญญาต่อไปภายภาคหน้าก็คงมีอยู่ที่จะเข้ามาดื่มมากินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนต่อไปไม่ใช่ว่าเราดื่มเสร็จแล้วก็ปล่อยปะกละเลยผู้ที่ไม่รู้ไม่อะไรก็โยนของสกปรกก็เลยเสียเสียบ่อน้ำไปหมด เสียที่จะทำให้มนุษย์โลกทางหลายร่มเย็นเป็นสุขก็หมดไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใ น, นเมื่อสติปัญญาของเราพอมีอยู่เราก็ช่วยกันประคับประคองนี่แหละจุดนี้คือที่เราไปนั่นสถานที่ต่างๆเราก็คิดในเรื่องนี้ไว้ในใจอยู่เสมอบางทีเราไปในส่วนราชการแต่ไม่ใช่ส่วนบุคคล ไปส่วนรัศการเขาให้นิมนต์แสดงธรรมพอแดงแสดงธรรมจบแล้วหลวงพ่อก็มอบปัจจัยที่เขาถวายกันเทศมาให้เป็นสาธารณะไปเลยโดยมากหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังแล้วว่าต้องการกันเทศวเว้นเสียแต่วางงานของเขาเป็นงานส่วนบุคคลงทําบุญบ้านของเขาโดยทําบุญ กิจการงานศพของเขาอันนี้เขาอุทิศส่วนกุศลเอออนั้นมันอีกส่วนหนึ่งทาเป็นสาธารณะแล้วโดวงพ่อเนะี่ยโดยมากจะมอบให้เป็นของใช้ในส่วนราชการหรือส่วนวัดนั้นนั้นแต่เราต้องการไหมเราพอหรือยังไอคําว่าพอคํานี้เนะี่ยมันไม่มีดอกในโลกวัตะสงสารนะคําว่าพอมันไม่มี ได้มาส่วนนี้ก็ใช้ส่วนนั้นได้มาแล้วก็เอาไปใช้เรื่องนั้นเอามาใช้เรื่องนี้มันมีเยอะแยะไปที่เราจะต้องใช้แต่ว่าเหตุผลที่เราจะนำมาหรือว่ามีความจำเป็นในส่วนนั้นของเขากับของเราเขาไม่แพ้กันเราก็มอบให้เขาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับเราใช้นะเราใช้เข้ามาเอามาเพื่อประโยชน์เขาเอาไปใช้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในหน่วยงานของเขาหรือวัดวาศาสนาของเขาเนี่ยลุงพ่อกับในมอบให้แต่ลุงพ่อว่าเออลุงพ่ออินรวยแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เอาอย่าไปคิดชั้นๆนอย่างนั้นถ้าเอามาพวกก็เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันวัดวาศาสนาของเราเนี่ยที่เรามาอยู่เราค่าใช้จ่ายอะไรมีอะไรมีตั้งเยอะแยะแต่เรา เห็นว่าจุดนั้นก็สำคัญให้เขาใช้ประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่อไปที่ไหนจึงว่าไม่ค่อยไม่ได้เอาไม่รับแต่เราไม่เคยไม่อยากจะพูดเป็นบางบางท่านบางคนบางองค์พอจบลงมาแล้วนะั้นมาพูดเรื่องการเงินการทองซช่มากกว่าหลวงพ่อได้ยินบางครั้งก็ทำแม่งๆแม่งในใจไม่สบายใจเหมือนกัน แต่หลวงพ่อเนี่ยคิดว่าจะวางยังไงจะทำยังไงจะทำยังไงวางตนยังไงไ ม, มึงจะถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นที่ละคายหูละคายตาละคายใจละเคืองเออเคืองในจิตใจของผู้ที่พบได้เห็นเนี่ยอันนี้ก็รอไปทสถานที่ต่างๆ ลงพ่อเองได้คิดนะอันนี้ก็คือพูดคำในใจให้พวกเราที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อได้ฟังได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาคือเราไม่ได้ไปที่นัดสถานที่ใดเราไม่ได้มุ่งหวังในด้านวัตถุแต่เรามุ่งหวั ง, างทางด้านจิตใจซะมากกว่าถ้าเราไปแล้วเป็นยังไงเจ้าภาพหรือเจ้าของถินหรือวัดว า, าสนาสมพาน ถ้ากดในถิ่นนั้นจะเกิดประโยชน์ไหมถ้าเกิดประโยชน์เราก็ไปถ้าไม่เกิดประโยชน์เราความันต้องจะทําทําไมอย่างหลวงพ่อเนี่ยปฏิเสธบางเรื่องบางราวให้หลวงพ่ออินเป็นหัวหน้านะเรื่องนี้หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วใช่คนเป็นบางกลุ่มเรืนั้นเองให้หลวงพ่อเป็นหัวหน้าแต่คนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยมาบวกลบคูณหารดูแล้วถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วเราทําไป มันจะเป็นยังไงผลที่ออกมาถึงจะดีก็ดีส่วนหนึ่งแต่มันไม่ดีมากในเมื่อมันไม่ดีมากคนที่เสียหายเนะี่ยเป็นยังไงทำให้มันสบายใจแต่เมื่อมันสบายใจเรารู้ทั้งสองด้านทั้งสองฝ่ายเราควรทำตนอย่างไรเพราะมันปัญหาอยู่กับตัวเองมันอยู่ปัญหากับตัวของเราผู้ที่จะเข้าไปมันไม่ใช่ปัญหาที่อื่นปัญหากับเรา เราจะเข้าไปอย่างไรจึงจะเป็นถูกจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมถึงเราจะไม่เข้าไปในจุดนั้นแต่่วนอื่นเรามีส่วนที่จะเข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยได้ไหมถ้าได้ออได้นะเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์เออเอานะเราจะเข้าไปอยู่จุดนั้นเราไปช่วยจุดนั้น เ, ออเราจะไม่ยืนอยู่จุดที่เขาเป็นเป้าให้เขายิงหรือว่าให้เขาเล็ง เลือกให้เขาตำหนิเราได้สิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ความคิดเหมือนกันสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้มุ่งหวังลาบยศสรรเสริญอย่างที่ว่าอีกไม่กี่ปีชีวิตของเราก็จะหาใหม่อยู่แล้วเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีถามเลยยังไม่พออยู่แล้วขนาดเราจะอยู่ไปอีกกี่ปี อยู่สืบลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองไม่ใช่หรอหายใจไม่เข้าเราก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ใช่ไมมตายตายแล้วได้อะไรคุณงามความดีที่ได้มาก็เท่านั้นอะ่ะเพราะนั้นเราเพียงพอหรือยังเตรียมพร้อมหรือยังเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่เพียงพอต้องพยายามผลขควยให้เพียงพอถ้าเพียงพอแล้วเออจบ ถ้ายังไม่พอล่ะถ้าคุณงามความดีบุญกุศลยังไม่เพียงพอ่ะนั่นแหละจุดนั่นแหละสำคัญจุดที่มันพ่องให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้มองตอนเองไม่อยู่เสมอบุญกุศลมันพ่องในจิตใจอันนั้นไม่ดีแต่ราบยศสรรเสริญภายนอกนะั้นมันเป็นของภายนอกมันเป็นเครื่องเครื่องให้แก่ร่างกายท่านเองถึงจะขนมาให้ขนาดไหนก็เถอะขนมาให้ร่างกายไย ไม่เห็นร่างกายคนไหนหนุ่มไปข้างหน้าหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้วก็มีแต่ได้ก็ได้ไปอย่างงั้นแหละเขาหัวเราะหัวเราะจิ้มแย่แยงไปอย่างงั้นแะแต่ส่วนจิตใจนั้นส่วนเลืกของใจแล้วข้าจะอยู่นานสักเท่าไหร่ชีวิตของข้าบุญกุศลของข้าในใจตายจากอกอ่างนี้แล้วเราจะไปไหน ถ้าคิดลึกถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้เพลิดเพลินกับโลรกวัฏสงสารอะไรทั้งหมดเตรียมพร้อมอยู่เสมอรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้เขารู้เรารู้ธาตุรู้ขันรู้จิตรู้ใจวางตัวอย่างไรวางใจอย่างไรวางกายอย่างไรวางสิ่งแวดล้อมอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้คิด เป็นภาษาใจของตนเองอันนี้พูดไม่ได้เป็นภาษาใจถ้าพูดออกไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกับคู่คนอยู่รอบด้าน<ๆ>เพ้อๆเขาจะหาว่าบ้าอีกต่างหากแต่ภาษาใจของเราเนี่ยเราต้องคิดไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะเดินตามนั้นจะให้ตําหนิตนเองได้เราเกิดมาพบพรพุทธศาสนา พบปณิถ น, นักปราชคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะเดินตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราเดินตามนี้แล้วเราจะสบายใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาทำร้ายทาลายเราก็เข้ามาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเรามีเกาะเรามีเกาะ ก, กําบังเกาะกัน้น ไม่ให้สิ่งช่วช้าเสียหายเข้ามาหาตัวเราได้แต่แต่าว่าเราไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้มตีตาทิศตาไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วนั่นแหละกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละจะมาลุมมาตุมเราถึงเราผลที่สุดก็น่ะเราออกนอกนอกกรอบนอกเกาะกำบังของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว รับประกันไม่ได้ใช่ไมไม่รู้เราจะตกไปในมุมไหนของวัตะสงสารอาจจะตกนรกหกไฟไปก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นผีเป็นเปกไ ป, ปก็ได้ไปได้ทั้งนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพวาะนั้นพวกเราได้มายืนจุดจุดนี้แล้วเอาชนะใจของตนเองให้ได้สิ่งไหนที่มันไม่ดียาทำํำถ้าทําเข้าไปแล้วมาเจอดูเดือดร้อนตัวเองเมื่อภายหลัง คิดขึ้นมาในใจก็เดือดร้อนผู้ที่เกี่ยวข้องก็เดือดร้อนคิดขึ้นมาเมื่อไรก็เดือดร้อนเป็นตลอดไปเพราะเหตุใดเพราะตัวเองทำไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านนะเนี่ยแหละที่หลวงพ่อไปจะไปในงานไหนก็ตามหลวงพ่อได้คิดสิ่งเหล่า น, นี้ไว้เราไม่ได้ไปเพื่อหวังลาบหวังยศสรรเสริญมีแต่ไปก็ไมีแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์ไปเรื่อย ด่าไปแล้วก็เนะนี่ยหนังสือธรรมะหลวงตาบางังหนังสือธรรมะของหลวงพ่อ บ, งบงังเอ็มพสามบังแจกดาไปเรื่อยแต่หลวงพ่ออยากดังไหมไม่เอาไปฟังโดยที่ว่ามีเหตุมีผลอย่างไรถ้าตัวเองอยากจะดังไปแจกโดยที่เป็นไงดาซะเอ็มพสาไว้ด่าไว้ดาไว้ไปแจกพอเขาเปฟังแล้วก็ด่าเรากลับคืนมาอย่างเก่านะอันนี้ถ้าเป็นเสียงธรรมะน่ย เอาไปฟังเขาไปฟังแล้วเกิดประโยชน์ผู้ดใดประโยชน์จากเอ็มพสามหลวงพ่อมีมากต่อมากเหมือนกันที่หลวงพ่อได้ยินสะท้อนย้อนกลับมาบางทนกนได้บวชในพระพุทธศาสนาก็มีหลายคนพอได้ฟังแล้วกเออธรรมะที่ได้ฟัง เ, เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งปฏิบัติได้ อย่างนี้เป็นต้นก็มีมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าผู้ที่มีอุปนิสัยผู้ที่จะฟังธรรมะคําสอนมีอยู่เรานําไปแจกทำให้แจกก็อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะว่าเหมือนกับวานมเมล็ดข้าวบางทีก็ไปถูกใบไม้บงังบางทีก็ไปถูกขอนไม้บงังบางทีก็ไปถูกก้อนหินบงังที่มันค้างอยู่นั่นมันจะยังรากได้อย่างไงเพราะมันไปถูกหินถูกไม้ถูก ใบไม้ที่มันรองอยู่แล้วแต่เม็ดไหนที่มันหล่นลงไปในดินน้ำพอดีไม่แช่เกินไปมันก็งอกเงยขึ้นม า, เ, าเราก็ได้บ้างเราก็ได้เพราะเราปรับเราดูแล้วค่อยหวานพอเราดูซะก่อนเราค่อยหวานาไม่ใช่ว่าเห็นคนกลางถนนอะไรในตลาดเขาขาย ปูขายปลาค่าสาัตว์ไปหวานเอ็มซีเอ็มพีสาไม่เขาไม่ใช่อย่างนั้นเราคิดว่าเออกลุ่มนี้เป็นคมกลุ่มศิลแธรรมเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนามาฟังเทศฟังธรรมเป็นผู้จิตใจมีกุศลเราก็แจกให้กลุ่มนั้นแต่มันจะได้ครอบทุกทุกคนไหมให้เขาบอกทุกคนที่มาในนั้นไ่นจะเป็นคนดีไหมตั้งใจฟังไหมตั้งใจใจศึกษาไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกัน ก็อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าวันเรามองดูแล้วเราปรับสถานที่วันดีพอสมควรแล้วเราหว่านพืชลงไปบางทีก็ไปติดอยู่เกาะติดยอยู่กิ่งไม้บางก้อนหินบางใบไม้บางอันไหนที่มันหว่านลงไปแล้วไปติดเกาะมันยังลากลงไปไม่ถึงดินมันก็ตายมันก็แห้งไปหมดพืชเม็ดนั้น นี่ก็เหมือนกัน MP ็สแต่ละแผ่นนะถ้าไปเจอกับคนไม่ดีเชอย่างเขาไม่สนใจเชอย่างเอ็มสของหลวงพ่อกัเพือเพอจะไปอยู่ท้ายรถสิบลออ aps, map, map, map, ้อหกแขวนแมปมาบแมปานอาจจะอยู่อย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่ได้มั่นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถึงยังไงเราไปคีค้ฟ่าดีกว่าไม่แจกร้อยคนได้คนหนึ่งก็ยังดีฮถ้าแจกร้อยคนเขาฟังคนหนึ่งเป็นผู้มีศีลมีธรรม ก็ยังเป็นคนดีดีกว่าไม่ได้เลยถ้าเราไม่แจกเรื่องนี้ก็เราไม่ได้เลยไม่ได้ฟังธรรมะทําคําสอนก็เปล่าประโยชน์ไปแต่ถ้าว่าพูดให้ฟังแล้วเออธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจจากนั้นกับคนหนึ่งขยายไปหาอีกคนนึงเอ้ยได้ฟังเทศของพระอินไม่ในเอ็มพสามโอ้อย่างไอ้จอนฟังด้นะไ อ, อ้คนที่สองฟังอีกพอฟังก็ได้เรื่องอีกเอาต่อไปอีกมันอาจจะเกิดอย่างนั้นก็ได้ เรา ค, คือตั้งความหวังโดยมากก็เป็นลักษณะอย่างนั้นบางคนก็อัดแจกก็มีได้แผ่นหนึ่งไปอัดแจกไว้ในหน้าร้านมาซื้อของก็แจกไปเรื่อยอย่างนั้นก็เป็นพันๆแผ่นก็มีหลวงพ่อเคยได้ยินสรุปแล้วก็คือมันเกิดประโยชน์ต่อผูด้ได้ยินได้ฟังพอธรรมะคำสอนเอาหลักเอาหลักเหตุผลมาพูดกันถ้าว่า นคนไม่มีเหตุไม่มีผลก็อย่างว่านะ่ะเหมือนสา์น้าใส่หลังหมาเนะ่ยสาสเท่าไหร่มันกสะบัดพลิไปแล้วก็จบถ้าคนมีเหตุมีผลฟังแล้วติดปั๊บฟังเหตุฟังผลอืมใช่มีเหตุผลน่าฟังฮะจากนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆนี่แหละทำคำทาคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เอาคำพูดของเราไม่ได้เอาเรื่องของเรามาพูดนะ แต่เราก็อ้างอิงทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดนะอรรถพรอนุโมทนาให้พร